ซึ่งอาจจะเป็นความรู้เพียงขั้นตอบสนองอารมณ์ที่รับรู้ที่เรียกว่าสิ่งเราหรือความรู้ขั้นปัญญาที่กำหนดได้ว่าควรหรือไม่ควรก็ได้เมื่อถือว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการกระทำจะเห็นว่ามีกรณีมากมายที่ตามปกติคนสัตว์จะเคลื่อนไหวหรือกระทำแต่กลับหยุดคือไม่เคลื่อนไหวหรือชะงักการกระทาเสียในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่า การหยุดการเฉยนิ่งหรือการไม่กระทำก็คือการกระทำอย่างหนึ่งนั่นเองและเป็นการกระทำอย่างแรงเสียด้วยดังจะได้เห็นต่อไปว่าตันหาเป็นเหตุให้กระทำการที่เป็นเงื่อนไขเพื่อได้สิ่งเสพสเสวยหรือปกป้องรักษาความมั่นคงถาวรของอัตตาที่ยึดถือไว้คาว่ากระทาในที่นี้จะต้องรวมถึงการไม่กระทาด้วยกรณีที่ตันหา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 กลัวความพรากจากสุขที่กำลังเสวย อ, อยู่ก็ชักจูงให้ไม่กระทำครั้นมนุษย์พัฒนาปัญญาขึ้นมาแล้วและสามารถกระตุ้นฉันทะขึ้นมาเป็นแรงจูงการกระทำได้มากขึ้นเมื่อรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดเป็นประโยชน์มีคุณค่าแท้จริงมนุษย์ก็กระทำการนั้นได้ทั้งที่เมื่อกระทำจะต้องประสบทุกขเวทนาและฝ่าฝืนตันหาที่จะไม่ให้กระทาบางคราว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 จึงเป็นการพ้นจากอํานาจครอบงาของตันหาเปลี่ยนมาอยู่ด้วยปัญญาที่พาฉันทะเข้ามาแทนแง่ความหมายที่ช่วยให้เข้าใจตันหาและฉันทะชัดยิ่งขึ้นแง่ที่สองตันหาเป็นแรงจูงใจให้กระทําในระบบเงื่อนไขแง่ที่สองนี้ก็มีสาระอย่างเดียวกับแง่ที่หนึ่งนั่นเองแต่มองต่อไปอีกขั้นหนึ่ง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 เขาไม่ได้ต้องการความสะอาดที่เป็นผลของการกระทำคือการกวาดแต่เขากระทําการกวาดนั้นเพราะการทําการกวาดเป็นเงื่อนไขที่จะให้เขาได้ขนมมาเสพมองเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กชายหอไม่ได้มีความสุขในการกวาดแต่กลับมีทุกข์ด้วยซ้ําและก็ไม่ได้ตั้งใจกวาดให้ดีซึ่งบางทีคุณแม่ต้องให้ใครคอยคุมให้ดีเพราะการกวาดนั้นเป็นเหตุของความสะอาด ซึ่งไม่ใช่เป็นผลที่เขาต้องการการกวาดเป็นเพียงเงื่อนไขที่จะให้เขาได้ผลที่ต้องการคือได้ขนมอร่อยมาเสพความสุขของเด็กชายฮอต้องรอไปจนกว่าจะได้เสพย้าได้ว่าตันหามิได้ต้องการสิ่งหรือภาวะที่เป็นผลของการกระทานั้นโดยตรงตันหาให้กระทำต่อเมื่อการกระทานั้นเป็นเงื่อนไขอันจาเป็นที่จะให้ได้สิ่งที่ตันหาต้องการ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 ตัณหาก็ให้ไม่ทำโดยไม่คำนึงว่าผลดีงามแท้จริงที่พึงเกิดจากการกระทำนั้นจะเสียไปหรือไม่ตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะรู้ว่าทำอย่างนั้นแล้วคุณแม่จะต้องเอาใจเพิ่มสตางค่าขนมให้ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ชัดว่าการไม่ทำคือการกระทำอย่างแรง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 แม้ในกรณีที่ให้กระทําการกระทําด้วยตัณหาก็ไม่ปลอดภัยเพราะความเป็นเงื่อนไขดังได้กล่าวแล้วทาให้มีสูตรว่าตัณหาให้ทาเพราะพอใจเวทนาอร่อยที่ได้จากการกระทํานั้นยิ่งทายิ่งอร่อยก็ยิ่งชอบใจและยิ่งชอบใจก็ยิ่งทาทาจนกระทั่งผลดีที่พึงประสงค์จากการกระทานั้นเสียหายหรือล้มเหลวไปก็มีบ่อย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 โดยในยะนี้จึงชัดเจนว่าตัณหาเป็นแรงจูงใจให้ไม่ทาและแม้เมื่อจูงใจให้ทําก็ไม่ปลอดภัยแต่ให้ผลร้ายมากกว่าผลดีจึงควรทําตนให้พร้อมที่จะเลิกใช้เลิกอาศัยมันโดยหันไปสร้างเสริมปัญญาปลูกฉันทะขึ้นมาแทน